วันนี้กาศที่ยนืนสบายเขาน้าหนาวแล้วจะปล่อยฝนต้นหนาวก็ระมัดระวังระวังกายโรคภัยไปใข้เจ็บอากาศเปลี่ยนแปลงร่างกายสังกัดมันจะเป็นไปตามมาเป็นเรืรเเ่องธรรมชาติธรรมชาติแปลว่าเกิดเอง เป็นเแล้วก็ต้อ่งอยู่อย่างนั้นไว้วันพันปีเขาก็โยกเข้าโยกกันโยกธรรมชาติวันนี้พวกเราได้เจริญพุทธมน์เต็มโสดิหนานเป็นชั่วโมงมากนลยบอิวารสวดมน ส่วนมนุษยก็ดีอย่รงไรก็ทำให้จิตเรารวมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เรือว่าอารมณ์อันเยวการสวดมนต์ท่านเปรียบก็เปรียบไปฟังเสมอว่าการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ก็เหมือนาอยาทาส่วนภาวนาเหมือนอยากินยาทาก็แปลว่า มันก็ดีมันก็แก่ได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้เข้าไปถึงข้างในมาได้เป็นข้างนอกเหมืนอนยาทาถา้วยยาทาใส่ปไปก่อนว่าทาโรคไัเก็จากทางกายบางอย่างถ้าเราจเจริญบุตรมน์จิตเป็นสมาธิก็มสมารรักษาได้ในระดับหนึ่ง ก็จากจิตทัานเองไม่ได้เกิดจากกายเก็จะพลังจิตมันก็สาได้ส่วนถภ า, าวนาเราเปรียบสมัญญากินคือกินเข้าไปข้างในเกิดจากข้างในก็คอกือจิตใจนั่นเองนั้นดังอย่างร่างกายเราป่วยแต่ถ้าใจเราไม่ป่วยก็อยู่ได้ถ้ากายก็ป่วยใจก็ป่วยนี่นลำบากอยู่ไม่ได้ นั้นหลักในการภาวนาจริงๆก็คือต้องการให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นสังเกตใจคำว่าโอ้ก็คือต้องการให้จิตของเรานมีวิชาอันนี้วิชาคือรูอ้เพื่อความรู้ ซึ่งตรงกล า, า, างของความไม่รู้ก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบง่ายๆเหมือนกับสมัยเราตอนเด็กๆก็คืออวิชชาคือไม่รู้อะไรเลยว่าอาจารย์ก็จับมาฝึกมาหัดมาเขียนตั้งแต่เริ่มต้นก็ใครขอใครละจนผสมประกอบกัน สุดท้ายก็อ่านได้บูดาอ่านได้คล่องแล้วก็เพ่อจะเป็นถ้ามีครูบอาจารย์มาบอกถ้ายังไม่ได้ถึงกับบางคนงก็จะจับมือเขียนก็ใครเขียนไม่ได้เริ่มต้นอย่างนี้ตรงนี้แล้วก็จบลงตรงนี้อันนี้เป็นตน้นทีนี้ถ้าเราไม่เคยเขียนไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยอ่านไม่เคยเขียนก็ทําไม่เป็นถึงไม่เห็นเห็นกระจูก็อ่านไม่ได้ นั่นก็เปลแสดงเราไม่มีวิชาคือไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่า น, นั้ น, นจิตของเราเนี่นก็เหมือนกันต้องการฝึกให้จิตของเราหนั่งมีวิชาเราไ้วั น, นจะเปรียบที่บให้ฟังง่ายๆเป็นวิชาพื้นฐานในการดำเนินชีวิตใดวแนวความคิดในชีวิตประจำวันเมอีเราพูดถึงการเขียนมันก็มีองค์ประกอบคือกระดาษ กระดาษที่จะเขียนนะั้นต้อเป็นกระดาษว่างเปล่าคือกระดาษธรรมดาธรรมดาอุปกรณ์อีกอย่ก็คือปากกาก็ได้ดินสอก็ได้เรือ่องวัตถุอื่นก็ได้ที่มันจะออกมาเป็นสีทําไมต้องบอกเป็นกระดาษเปล่าถ้าเป็นกระดาษสกปรกเต็มไปด้วยตัวหนังสือแล้วเขียนนั่นจะอ่านยังไงมันอ่านย้า พูดง่ายๆคือมันแก้ยากเพราะฉะนั้นกระดาษเปล่าเนี่ยเมื่อเราเขียนไปแล้วมันเปรียบเสมือนอดีตของพวกเราก็แปลว่าทํำแล้วเพราะฉะนั้นอดีตของเรามันก็คือกระดาษเปล่ปาๆธรรมดาแต่ว่าผ่านการเขียนแล้วผ่านการเขียนแล้วเราเรียกสิ่ง น, นั้นว่าอดีตเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราจม อยู่กับดตสิที่เราเขียนมาแล้วอดีตแต่ละคน40่สหิปีนั่นคืออดีตไม่รู้ว่าเขียนอะไรไว้สารพัดไม่รู้ว่าบันทึกอะไรไว้ในนั้นสารพัดจนเรานึกไม่ออกเราเขียนอะไรไว้นั้นคือจุดวันนั้นฉันบอกว่าวาดีมันผ่านไปแล้วมันล่วงไปแล้วมันพ้นไปแล้วจะกลับมาเขียนอีกไม่ได้มันจบไปแล้ว เหมือนกนังสือหนังสออาที่เราแต่งเป็นเล่มเขียนเป็นเล่มพิมพ์ออมาเป็น เ, เ, น เ, เ, นเล่มแล้วเขเขียนทับลงไปไม่ได้ไม่มีตําแหน่งยังเป็นอีกที่เขียนทับลงอันนี้คือธรรมะที่เราเห็นในชีวิตจำมันนั่นคือดี่ส่วนอนาคตกระดาษเปล่าๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ขีดยังไม่ได้เขียนก็ เ, เหมือนกับหน้าต่อไปซึ่งเรายังไม่ได้บันทึกอะไรเลยยังไม่ได้ขีดยังไม่ได้เขียน ส่วนหน้าที่เป็นปัจจุบันก็คือปัจจุบันเราสามารถที่จะขีดเขียนบันทึกอะไรลงไปก็ได้ในหน้ากระดาษที่เป็นปัจจุบันส่วนอนาคตมันยังไม่มาถึงเอาไว้เป็นพรุ่งนี้เอาไว้ในอนาคตเพราะมันยังมาถึงให้เขียนในสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันให้เขียนก็แปลว่า ให้เรานึกในเวลาเราปฏิบัตินั่นคือนึกบอกว่านึกถึพุโทโธนั่นก็คือสอนให้เราเขียนน้อพุโทโธอายใจเข้าพุทหาจใจออกโธแล้วก็ลมกํากับคือให้ก่อนอื่นให้นึกนึกก่อนนึพุโทโธต่อมาเป็นคือตัวรู้ ก, กํากับสุดท้ายก็คือลมหายใจตามไปสามอย่างามันสมรคีรีกันเป็นอันเดียวกันคือเป็นเรื่องเดียวกัน พูดงายไม่ใช่ว่าหายใจเยงที่เราหายใจเข้าเอกเรากรู้อยแล้วเวนิ่งกินิ่งนึกอะไรก็มารู้ซึ่งไม่ใช่ปุถุโธซึ่งธรรมชาติของคนบางคนนึกคิดปุงแต่งอยู่แล้วตามปกตินั่นก็คือเขียนด้วยตลอดเวลาพูดง่ายๆก็นึกแล้วนี่คนนึกเรื่องเราไม่มีความรู้กํากับลงไปเราดนึกอะไรก็ไม่รู้สเปเรระร้อแปดพันอย่างอยู่ในนั้นมันไม่เป็นระบบอันนั้นการนึกถึงปุถุโธคือกากับเข้าไป ตามในความรู้คือรู้ตัวนั่นก็คือสตินั่นเองแต่เราพูดคำว่าสตินัมันบอกว่าธรรมดานั้นท่าแทกว่ารู้ตัวดูรู้ตัวกับคือการนึกถึงลมแล้วก็แต่งลมของเราตอนที่มันหายใจเข้าเสะซึ่งมันมีอยู่แล้วทุกคนไม่ต้างไปลงทุนอะไรเลยแต่ดูลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจเอายาว แล้วก็หายใจปกติธรรมดาทางเราแล้วก็ดูสังเกตว่าเราหายใจอยาวก็ให้รู้หายใจละเอียดก็ให้รู้หายใจยกลางก็งรู้ทีนี้แต่งลมแต่งก็คือเรานึกใช้วิธีสา ม, มัญสานึกของเราแหละหายใจในใจสบายเพื่อหายใจขนาดไห น, นสั้นขนาดไห น, นยาวขนาดไห น, นยาวขนาดละเอียดขนาดไห น, นแล้วก็ดูโดยครับกับกับพุตโพุโธเข้าไปอนี่คือการเขียนหรือว่าบันทึก จากนั้นก็เป็นการบันทึกมันคือเขียนนั่นเองบนกระดาษเปล่าบแบบนี้สังเกตดูจิตในความรู้สึกทุกคิดปรุงแต่งในขนาดนั้นมันนึกอะไรถ้าบอกวันนึกนึกคิดปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีแปลว่าขนาดนั้นจิตเราเขียนสิ่ที่ไม่ดีลงบนกระดาษเปล่าขณะเดียวกันถ้าจิตมันรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็แปลว่าขนาดนั้น เราบันทึกขีดเขียนในสิ่งที่ดีลงบนกระดาษเปล่าคือจิตแต่ว่าคนนั้นๆต้องทําจิตให้มันว่างก่อนนีในสําคัญตอนนี้เขาจะบอกว่าการภาวนาไม่จําเป็นต้องใช้ปัญญาใช่ไหมเขาพูดกันไปกว่าเมื่อกระดาษมันไม่ว่างกระดาษมันมีของกระดาษเปล่าเราจะบันทึกมันก็เขียนได้ไม่เขียนไม่ได้กระเลว่นเขียได้พิจารณาได้แต่ว่ากระดาษมันไม่ได้ว่างคือจิตมันไม่ว่าง ยาสัญญาอารมณ์ทั้งหมดที่มันมีอยู่จากอดีตอดีจากอนาคตดีซึ่งมันไม่ได้เป็นปัจจุบันมันก็เขียนสปเปรห์ละซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วอืเพราะฉนั้นทําจิตให้ว่างคือทำบรงดาษให้มันว่างเขียนบังดาลให้ว่างเปล่าจิตในขณะนั้นมันมันจะเขียนอะไรก็ให้เรารู้คือสตินี่คือตัวรู้ข้างแรกเลยนึกนึกกะแปลว่าเหมือนเราจะเขียนว่าตัวกอไก่ ตัวก็ไก่เป็นยังไงตัวกอไก่ถ้าผ่านการฝึกกันหัดการเขียนมาก่อนแล้วเราจะรู้ทันทีอันนี้คือเรื่องหนึ่งเกิดสัญญาธรรมดารรมาั้ยตอไปรู้รู้คือในขณะที่เขียนก็รู้นี่คือกอไก่ไม่ใช่ไปเขียนตัวอื่นอย่างนี้นึกสติกการฝึกสติเหมือนกันเวลาเราคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ตามทันนึกในสิ่งดีก็แปลขณะนั้นเราบันทึกสิ่งดีลงไปนึกแต่เขาไม่ดี เราก็บรรจุ ข, ของไม่ดีลงไปทีนี้ของสองอย่างเนี่ยมันก็จะอยู่ในกระดาษที่เราบันทึกเอาไว้ที่เราเขียนเอาไว้ก็คือจิตนั่นเองนั้นสิ่งที่เราเขียนกานเรกก็ได้อบอกเป็นวิชาก็คือความรู้เป็นความรู้โดยมีสติทีนี้ถ้าเราทํำบ่อยๆในชีวิตประจำวันคือฝึกบ่อยๆในทุกกอาวุธ ก็คื อ, อยืนเดินนัง่งเว้นกันนอนเพราะการนอนใช้ได้ผลน้อยคือใช้อย่างนี้ให้เป็นวิชาหรือให้เป็นความรู้บ่อยๆสุดท้ายสิ่งที่ทําบ่อยๆสิ่งที่เราประจาเรียกว่าบันทึกนีเป็นประจำอมันจะเป็นจาระนะคือความประพฤติก็คื อ, คอคการกระทําของเรานี่ยเองการประพฤติจะกลายเป็นนิสัยติดตัวไปในที่สุดทรนี้ถ้าเราประพฤติดีมันก็เป็นนิสัยดีถ้าประพฤตินนไม่ดี มันจเป็นนิสัยดีนั่นก็แปลว่านึกคิดปรุงแต่งอะไรให้เป็นที่ดีมันก็จะติดตัวติดกายติดใจของเราไปเคยพูดดูเสมอสิ่งเหลนน่านี้เราไป็นคนเขียนเองนะคิดดีเราก็บันทึกเองคิดไม่ดีเราก็ทึกเองเพราะฉะนั้นทําให้มันก็ ว, ว้างๆกลางๆเอาไว้ทําจิตใจสงบกลางเราก็จะเห็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นอดีต ก, ก็ดีเป็นอนาคตก็ดี ให้ตัดทิ้งอารมณ์ น, น, นั้นเช่นเรารู้ว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตมันผ่านไปแล้วมันล่วงไปแล้วมันเป็นหนังสือที่เขาพิมพ์ออกมาแล้วเป็นกระดาษที่เราบันทึกเขียนเขียนลงไปแล้วก็ทิ้งเอาไปอนาคตยังมาถึงยังไม่ต้องไปพูดถึ ง, ง, ถ ง, ถงเอาปัจจุบันให้ตัดออกแล้ ว, ว่าลืมอดีตเป็นอนาคตแล้วก็ให้กำลังที่เป็นปัจจุบัน อย่างนี้ท่านเรียกว่าปัจจุบันธรรมคือธรรมะที่เป็นอยู่ในขณะนั้นอันนี้คือธรรมะจริงๆคือมันทรงอยู่ปรากฏอยู่ดำรงอยู่ในขณะนั้นที่เรารนีเป็นปัจจุบันทิจเจรณาต่อมันเป็นอะไรอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีแล้วหาเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นว่าดีอารมณ์ดีมันมาอย่างไงอารมณ์ไม่ดีเกิดจากอะไร ซึ่งธรรมชาติของคนมันล้วนๆไปแล้วไม่กระเด็ดน<คอบ> น, น, ม น, น, น ะ, ะ, ะ, ะ, ะงง ม, มัอารมณ์เสียก็แบ่งนึกออกมันอารมณ์เสียมาจากอะไรเสียเพราะอะไรแล้วจะแก้ไขยังไงไม่มีอารมณ์ดีก็เช่นเดียวกันดีมาจากไหนดีมันอยู่ยังไงแล้วมันจะดับไปมันจะขึ้นยังไงมันจะต่อไปอยังไงก็ไม่แน่นี่สำหรบับคนที่เคยฝึกเบิกหักมันก็จะอยู่อย่างนี้ <c oughs> ในชีวิตประจําวัน เราก็ใช้ชีวิตปัจจุวันอยู่ในสุดท้ายเครื่องนี้มันก็บันทึกตลอดคือตัวเราเองนะบันทึกตัวเองเราบันทึกการการะทำเรียกว่ากรรมนี่คือกรรมเรียกว่าการการะทำของตัวเราเองเราเนี่ยเราเป็นคนบันทึกเพราะเราเป็นคนจดเองเขียนเองติดเองแต่เพื่อเหนว่าตัวเองเขียนตลอดทุกวันทุกวันแล้วไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านสิ่งที่เราเขียน คือสิ่งที่เรานึ้อคิดปุ่มแต่งที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราเขียนนั้นเป็นเขียนดีหรือเขียนไม่ดีเราไม่เคยเขียนเพราะฉะนั้นก็เมือนการหนังสือคนที่แต่งหนังสือก็ไม่ค่อยอ่านแต่คนที่ไม่ได้แต่งะส่วนมากจะเป็นคนอ่านเหมือนกันโดยกาชีวิตความเป็นจริงของผู้เราเราจะไม่ค่อยอ่านตัวเราเองแต่เราจะอ่านคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักหมดคนนั้นคนนี้คนนู้นสูงต่ำต่ค้าดีชั่ว อย่างไงรู้จักหมดเพราเราไปอ่านแต่คนอื่นแต่ตัวเราเราไม่อ่านนั่นเห็นไหมโอปนาจิโนนกน้อเข้ามาเมื่อความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเราจะมันดักแก้ไขปรับปรุงทันทีให้เป็นปัจจุบันอย่าไปอ่านคนอื่นอย่าไปดูคนอื่นมันก็ได้ประโยชน์อะไรดูตัวเราเองเคยพูดอยู่เสมอว่าหนังสือที่ดีที่สุดห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวเรานั้นตาราที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในตัวเรามีทุกอย่าง มีมีอะไรที้ไม่มีแต่เพื่อเราไม่ศึกษาเราไม่อ่านตัวเราเองเราจึงไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองไม่รู้จักตัวตนคือไม่รู้จักพฤติกรรมที่มันแสดงออกว่ามันมายังไงอยู่อย่างไงแล้วจะไปอย่างไงก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเดินมาอยู่ยังไงแล้วมันจะดับไปยังไงจนท้ายเราเก็บหาไม่ได้คือเก็บหาตัวเองมาได้สุดท้ายมันก็เป็นซ้ำๆสากๆอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาในชีวิตประจําวันของพวกเรามีนั้น ธรรมะในภาพปฏิบัติจริงๆก็คือให้เราใช้สติปัญญาที่เป็นอารมณ์ที่อยู่ในปัจจุบันจริงๆเพื่อเราจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงหรือว่าความคิดการพูดการกระทาของตัวเรามันเป็นยังไจงจิตเราก็ใช้เป็นอย่างนี้เหมือนเราสมารถี่เอาเป็นธรรมะมันได้แต่ว่า แต่ก ค, คือจิตที่ยังไม่ได้รับรู้อะไรมากมายไม่ได้รู้สึกนึงคิดปรุงแต่งกะับผู้ใหญ่คือไม่มีสัญญาอารมณ์มากเหมือนกับพวกเราสัญญาก็อย่างน้อยอยู่สัญญาในรูปในเรื่องรูป เ, เรื่องเสีย ง, งเรื่องกลิ่นร่องรสผลตภัทางโลกเขาอย่างน้อยกว่าเรามากซึ่แต่งกับพวกเราเราก็ถูกรวมเวทนาสัญญาทต่างๆหรือว่าสัญญาอารมณ์อันนี้กระทบมาตั้งแต่ติด็กๆเหมือนเด็กกรณี้ ตัวอดีตนานนี้เขาค์าจารเขียนยังไม่ได้ต้องอาศัยอยู่เองนี่พวกเราก็เหมือนกันในขณะที่เขามีสติปัญญายอย่างน้อยอยู่จําเป็นอย่างยร่งจะต้องอาศัยครบาอาจารย์เป็นผู้ชี้เป็นคูณนะเป็นผู้นำเราก็เป็นผู้ตามที่ดีในขณะที่การทัชชี้แล้วแนะแล้วนำแล้วเราต้องเดินตามนะ ถ้าปล่อยท่านนำมืเดียวแล้วเราไม่เดินตามมันก็อะไเป็นอะไรสุดท้ายท่านก็จะไปอของท่านเดินตามซึ่งกว่าอาจารย์ท่านก็ไปดีทุกองค์ทุกท่านอยู่แล้วเลือแค่พูดตามอย่างพวกเราเป็นผู้ตามจริงหรือไม่แล้วมาดูดูทางปฏิบัติจริ ง, รงๆว่าเม่ี้เราพูดดีกระดาษหนังสืออ่านหนังสือจริงๆแล้วหนังสือทุกเรื่องทุกเรื่องของเ ร, องราอ่านแล้วมันจะเกิดปัญญาเกิดความรู้รเกิดวิชานั่นเองหนังสือเล่มใดก็ตาม ถ้าผ่านการเรียนรู้ผ่านการอ่านมาแล้วมันจะง่ายพอเรียนเสร็จปุ๊บจะปุ๊บเอาเราจะมองออกข้างในทีดูเออเนื้อหาสาระมันเป็นยังไงเริ่มต้นยังไงเนื้อหาเป็นแล้วจะจบคือสรุปยังไงเนื้อหาสาระ น, นันนน้นเหมือนกันชีวิตการบูรพ์เหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังข า, ารวิญญาณเรื่องใดก็ตามถ้าผ่านการ ก, กรองพิจารณาอย่างรอบคอบวนถือแล้ว เราจะเข้าใจในเรื่องมรรษอย่างลึกซึ้งก็แปลว่าถ้ามันมากระทบเรื่องปฏิฆะหรือผัดศัขึ้นมาซึ่งมันจะทาให้เกิดเวทนาเราก็จะรู้ทันทีรู้ทรงนี้หมายถึงรู้เท่าทันเช่นในขณะนี้เมื่อเรานั่งไปนานๆมันเกิดเวทนาขึ้นมาอาจจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามคือสุขทุกข์นั่นแหละหรือว่าอุเปรขาเวิทนาคือเฉยๆเป็นกลางก็ตาม จิตจะเป็นจิตจะเป็นคล่องในสิ่งเหล่านั้นให้รู้ว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นคือมันทุกข์มันลาบากมันนั่งมันเจ็บแข้งขปวดแข้งปวดขาคือให้รู้ว่านี่คือทุกขเวทนาเราพิจารณาแล้วเราอ่านแล้วมันจบแล้วสุดท้ายเวทนานั้นมันก็จะดับไปโดยอัตโนมัติกับมันแต่ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วแต่คนแล้วแต่ท่านแล้วถ้าจิตเราไม่คล่องอยู่ตรงนั้นมันก็ไปทางอื่นคือคิดอย่างอื่นต่อในตรงกลางถ้าจิตไปอยู่ตรงนั้น ไม่ไปไหนก็ อ, อยู่กับพิจนาโอ้มันยิงเจ็บยิ่งปวนะครับ อ, อีกเหมือนกับคำบรรยูที่เราใช้หนึ่งเช่นเรื่องเหล่านี้ถ้าผ่านการฝึกการพิจนาอย่างดีถี่ทุนแล้วเราสมามารถที่จะไปใช้กับอารมณ์ที่เป็นภายนอกเมื่อเราลืมตาขึ้นหรือเราปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัตอิอื่นๆก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันสามารถที่พิจารณาได้ให้เป็นธรรมะได้ก็คือถ้าเรื่องนี้เราผ่านการพิจารณาแล้วแปลว่า ผ่านการการกองรับรู้แล้วเมื่อมันเข้ามาเช่นอารมณ์หรือกับบุคคลใดก็ตามสมมุติว่าคนนี้เราไม่ชอบ ห, หมายถึงกิจยาอาการคำพูดกิจยาอื่นๆไม่ชอบนิสยัอยอะไรเป็นต้นแต่เราไม่เคยพิจารณาแล้วเ ร, เราไม่ชอบเพราะอะไรอย่างนี้แล้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันความรู้สึกอันนี้มันไม่ไดับซึ่งมันเป็นปกติมันเป็นธรรมชาติ พอธรรมชาติจริงๆแล้วเกิดตั้งอยู่แล้วต้องดับอันนี้คือธรรมชาติตามคันรองของเขาหรืวอว่ากระบวนการการับเขากระบวนการดับทุกข์กเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วกับใครก็ตามอารมณ์เหล่านี้ถ้าเรารู้ตัวทีว่าอืมอันนี้การเกิดขึ้นดำรนอยู่สุดท้ายก็จะดับแต่ถ้าเราไปต่อแย่หรือไปต่ออารมณ์เหล่านั้นถ้าเป็นภาษาเราเรียกว่าต่ออายุราชการกเกษียณแล้วยังไม่พอนะ มันจะหมดแล้วมันจะเกษียณแล้วก็ไม่ต้องทํางานแล้วไปต่ออายุราชการคือมันสุกมันจะหมดไปแล้วไปต่อไปอีกคือไปต่อความยาวสาวความยืดมันทุกข์ก็ทุกข์มากอยู่แล้วทุกข์ของตัวเองมันก็มากพออยู่แล้วมันไม่ดูไปดูทุกข์ของคนอื่นอีกนะั่นดีกว่าต่ออายุราชการของตัวเองมันก็ทุกข์นะก็ยาวมันไม่จบมันไม่จบก็แปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับเมื่อไม่ดับแล้วใครเดตอดร้อนเราสิ เราก็เดือดร้อนแอนเองทั้งหมดเนี่ยเป็นการบันทึกขั้นตอนวิธีการทําให้เราเข้าใจถึงขั้นตอนจริงๆว่าเออไอความชอบความไม่ชอบความสุขความทุกข์หรือว่ามันเฉยๆนะขั้นตอนก็มันเกิดขึ้นยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันดับไปยังไงเพราะนั้นมันจะใ ช, ใช้ได้กับทุกเรื่องอย่างนี้เรียกว่าคนมีธรรมคนมีธรรมก่อนนั้นเรียกว่าคนรู้ธรรม ฉันเรารู้จักความโกรธเราก็รู้หมดมใครได้ไมารู้ความโกรธธรรมะเรารู้หมดธรรมะข้อไหนดีก้นคก็เสียเรารู้หมดแต่ว่ามีธรรมะเอาคน เ, เรื่องอืมัะนั้นภาคาช้าเขบอกว่าคนที่มีธรรมะเอาคนที่รู้ธรรมะเอาคน เ, เรื่องคนที่มีธรรมะหรือธรรมะเกิดขึ้นแล้วถึงแม้คนนั้นเจะตายไปแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกอถ้าธรรมะเกิดขึ้นจริงๆจะตกหลังข้ามถ้าธรรมะไม่เกิด แม้แต่คนมันจะเกิดเกิดอีกมันก็ตายอีกเกิดแล้ตายตายแล้วเกิดเพราะมันธรรมะมันไม่เกิดตรงอนุฆาตธรรมะถ้าเกิดแล้วมันไม่ตายมันจะไม่ตายอีกตายแล้วไม่ใช่ไหมมาเกิดขึ้นมาพกเราอีกมธรรมะขั้นสูงเป็นอย่างนั้นบนคุณบรอาจารย์เราพวกเราท่านหมดท่านพลท่านจบแล้วท่านไม่กลับมาอีกบนเวียนไปเป็นอาไของเราเพราะอะไรเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ท่านอ่านจบแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําไม่มี เราไปดูเลยธรรมจักรที่เราสวดเมื่อกี้นะครับเป็นภาษาไทยเราไปอ่านดูเป็นภาพภาษาไทยจัดลงท้ายอย่างนี้กินอื่นนี้ต้องทําอีกไม่มีแล้วดันนงนี้นี้จะเรียกท่านผู้นี้ว่าเป็นคนที่โหนจากทุกข์คืออยู่เหนือทุกข์คือจิตอยู่เนือสิเหล่านี้ซึ่งต่างกับผู้เราทั้งหลายจิตยังอยู่ใต้ยอยูยยยย่ยังอยู่อยู่ใต้กับศพยังอยู่กใต้กับทุกข์ เรื่องความเฉยเฉยมันวาอารมณ์อันนี้ไม่ได้คือต่างกับผู้ไปแล้วผู้ไปแล้วนั้นต้องใจมันต้องเบาจิตต้องเบาต้องไม่เอาอะไรเหมือนพวกเราตั้งขนาดใดก็ตามถ้าเราแบกเราหามอะไรมันจะหนักการเดินการเหินการสัญจรไปมามันก็หนักแล้วก็ลําบากเหมือนกับพวกเราที่แบกอยู่ในขนาดนี้แบกอะไรก็แบกธาตุสี่ขันห้าอันนี้อยู่่มันก็หนัก ส่วนตรงกันข้ามกับท่านที่ท่านไม่แบบท่านรู้ว่าขันห้าหรือธาตุสีอันนี้เป็นภาระเป็นกองนะักท่านก็วางคือจิตวางจากสิ่งเหล่านี้คือจิตมาวางสิ่งเหล่านี้จใจใจมันก็จะไปได้านั้นเบื้องต้นจิตที่จะวางสิ่งนี้ก็หือสักกายทิศทีคือการตัวตนของเราเนี่ยคือรูปกัายของเราดังนั้นเบื้องต้นที่เราไม่อ่านตัวตนของเราเลย นั่นก็แปลว่าอะไรเราไม่ได้อ่านเลยบทเริ่มต้นกับบทแรกหน้าแร ก, แรกเราไม่เคยอ่านเลยเราจะได้อ่านตอนไหนอ่านตอนกลางๆอ่านตอนจบนะเหมือนดูหนังตอนจบเราไม่ดู้เริ่มต้นเป็นยังไงไม่เราจะไม่รู้เรื่องเพราะนั้นเราอ่านเรื่องนี้จนจบเราจะเข้าใจว่ากายรือรูปกับนามที่กายกับใจอันนี้เริ่มต้นคนจะละตอนปล่อยวาง มายถึงอาผมทั้งหมดก็เริ่มต้นจากการดูรูปร่างกายธาตุสีขันหน้าหรือรูปวิญญาณชญิดต่างๆวิญงาณรูปเสียงที่เริ่ตภัของเราอย่างแท้จริงมาให้ติดในสิ่งเหล่านี้คือใจจิตมาให้ติดในสิ่งเหล่านี้หรือมันติดอยู่ก็ให้ติดมันน้อยลง อย่าไปติดมากติดไปไ่ น, น้อยคนที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้บ่อยๆคือสักะายทิีทททรพระัิจีกิจฉาสิ่งต้อับประมาทนี่คือบันไดขั้นแรกนั้นทันตัญากปกันญญาที่เราสวดไปเมืเี้เนี่ยทำมาจากกับพุทธนสูตรถ้าจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าจัดเทสนาจบท่านเข้าใจโอ์แนบเข้าใจทังทีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นดังดั แปลภาษาเราง่ายคือมันเกิดแล้วมันต้องดับในทุกเรื่องทุกอย่างตนา้นไม้พวกเขาเราก็อาัยน้ำอื่นๆอะไรก็แล้วแต่วัตถุที่มีอยู่ในโลกนี้มันอยู่ในข้อหรือกําหนดกฎเกณฑ์อันนี้เรียกเข้าใจขึ้นมาทันทีแม้แต่รูปร่างกายที่มีอยู่อันนี้ก็ อ, อยู่ในลันกษณะกฎเกณฑ์อันเดียวกันก็คือเกิด ข, ขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปอย่นงนี้บอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ธรรมดาก็คือทั่วไปทั่วไปเรื่องธรรมดาพื้นๆสิ่งนั้นทั้งปูนหรือทั้งหมดไม่เป็นยังมีความดับไปธรรมาดาหนึ่ใช่หไหมพอสุดท้าแล้วท่านก็จะรู้ว่าการเกิดการดับมันเป็นยังไจิตก็จะให้รู้ให้ดูแค่การเกิดกับการดับท่านเองอะไรมันเกิดอะไรมันดับมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นี่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตของเราอเคยบอกว่าจิตมันไม่เคยสงบ มันเกิดมันดับมันเกิ ด, ดทั้ดับอยู่ตลอดเวลานี้ถ้าเราไม่เคยไปนิพิจารณาสิ่งเหล่านี้คือดึงความรู้สึกอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงเราจะไม่รู้ว่ามันเกิดแล้วมันทําให้เราเดือดร้อนขนาดไหนเราไม่เคยรู้เพราะอะไรก็เพราะว่าย้อนกลับมาที่เดิมคือเราไม่อ่านหนังสือเล่ม น, นี้ติดตัวอยู่เราตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เปิดอ่านเลยเพราะเป็นในกระเป๋าอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดความรู้ไหม มันจะเกิดประโยชน์ไหมมันจะเป็นประโยชน์มั้ ย, ม ย, มยไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะหนังสือดีๆที่สุดในโลกอยู่กับตัวตลอดเวลาแต่ไม่อ่านดูเหมือนไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนกับอาหารอร่อยอร่อยตั้งอยู่บนโต๊ะเต็มไปหมดแต่ไม่กินนะแล้วแต่นั่งมองมันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันหนังสือคือธรรมะคืออาหารใจอันนี้อถ้าเราได้แต่อ่นได้แต่ตฟังแต่ไม่ลงมือปฏิบัติ คือไม่กินไม่บริโภคให้ชันกันเข้าไปธรรมะเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์ต่อจิตใจเลยมันเกิดสัตวแต่ว่าเป็นธรรมะแต่นั้นเไม่อยนั้นธรรมในพระปฏิบัติจริงๆคืออยากให้พวกเราทั้งหลายได้มาสํารวจจูงตาดูตัวเราเองให้มากที่สุเท่าที่มากได้จะไปคิดเลยว่าอนาะคตมันจะอยู่ขนาดไหนเพราะเป็นกระดาษเปล่าๆหรืออดีตมนเป็นยังไงมันจบไปแล้ว มันผ่านไปแล้วมันเลยมาแล้วอะ่าเป็นดึงกับคำอีกมันเป็นประโยชน์ถ้ามันดีมัน็ดีไปแล้วมันเสียมันก็เสียไปแล้วคนเปลี่ยนเที่ยวให้ฟังอยู่เสมอเหมือนข้าวปลาอาหารที่เรากินเข้าไปที่เรากินเข้าไปเป็นอาหารหรืออาหารกายมันเป็นธรรมะชั้นยอดจริงๆอย่าให้เราพิจารณาทุกครั้งในขณะที่เราบริโภคเพื่อฝึกสติ ในการที่กินอาหารในก่อนอื่นนะพิจารณานี่คือเป็นที่มาว่ากุหลาบพระท่านฉันพระต า, าหารให้บอกให้พิจารณาก่อนไม้โบราณให้บอกว่าปฏิสังขารโยชาพระยา ก, ก่อนนะให้ไ่ส่วนเลยให้สวดทุกวันแต่นั่นก็เป็นแค่คําสวดบางท่านมาองค์ก็ไม่รู้จักความหมายอันนี้คือคือคาอธิบายในเบื้องต้นว่าคําสวดถ้าเป็นยาทาส่วนภาวนานเป็นยากิน ไมไ่เข้าไปข้างในไม่เป็นไรพิจารณาก่อนเบื้องต้นคืออาหารเข้าปาก่อนที่จะกินพิจารณานิดหนึ่งว่ามันมาที่มาอย่างไงมันอยู่ตรงนี้อย่างไงแล้วมันจะไปอย่างไงถ้าเราใช้อย่างนี้นี่คือหลักภาวนาจริงๆต่อไปอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในทุกเรื่องมันก็อยู่ในวงจํากัดอย่างนี้ทุกเรื่องด้ว่าอารมณ์ที่เราชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามมันก็อยู่อย่างนี้ชอบมันก็อยู่ได้ไม่นานไม่ชอบ มันก็อยู่ได้ไม่นานคือมันไม่ท้าวเรมันจะอยู่ตลอดไปจะเรียกว่าอาณาจักคือมันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกเรื่องไม่แต่อารมณ์ของเรามันก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์คือปลายทางของมันคือทุกข์คือผลของมันแล้วพิจารณาพูดถึงพิจารณาอาหารมันเป็นธรรมะชั้นยอดได้อย่างไรคนอื่นนั่งพิจารณาอาหารที่บนโต๊ะ อ า, ารี อ, อยู่บนถาดอาหารที่อยู่ในบานพิจารณาดีมันมันมีเท่าไหร่มีอะไรบ้างมีอะไรที่เราไม่เคยฉันเลยไม่เคยกินเลยไม่เคยบปิดเพราะว่ามีแกงอะไรบ้างอาหาพื่อแกงเนื้อสิงสาราสัตว์ที่มีอยู่มีอะไรที่ไม่เคยกินมันไม่มีมันก็มีของเดิ ม, เ, ดมเหมือนกันธรรมะของผู้ดูจารมันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะ สองพันหกรกว่าปีมาม น, นี้วมันไมีอะไเกิดขึ้นใหม่ๆเลยมันของเดิมๆมันของเก่าๆแต่ว่าเราลืมของเก่าเม่ได้าพิจารณาเพราะฉะนั้นพิจารณาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันก่อนก่อนที่จ <c> ะ <oughs> กินอาหารบนบวง า, ารวงพิจารณานี่หนึงอาหารเนี่ยนะมันพิจารณาจะดีมันมันมทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษทํา ม, มากกินไปไมันจะเป็นโทษนะ กินพอดีมันก็เป็นคนเอเราพิจารณาดูเหมือนอาหารก็บอกว่าอร่อยมากมากเรากินเกินประมาณมันดีไหมมันก็อึดอัดอยู่ไม่ได้กินน้อยไปมันก็อยู่ไม่ได้มันต้องพอดีคําว่าพอดีใครเป็นคนบอกคนรอบข้างบอกเราได้ไหมว่าเออฉันก็ได้พอแล้วกินแค่นี้พอแล้วไม่มีเลยในชีวิตป็นจวันใครเป็นคนบอกก็ตัวเรา เราจะรู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติอย่างนี้เรียกว่าปัจจตังในทางธรรมะมออกินแค่นี้เราอิ่มบางคนก็ครึ่งจานจานหนึ่งสองจานสามจา น, 3, จานแล้วแต่เราจะรู้ของเราเองนะส่วนคนอื่นเราไม่รู้อันนี้ปัจจตังก่อนน้ก็พิจารณาก่อนว่าก่อนนันนั้นมันมีที่มาอย่างไงมาจากห้ายที่หลายธาสิงสาราสัตว์หมูเห็ดเป็นไก่ขึ้นปักสวนควรสาลพั มารวมอยู่ในจานเดียวกันเห็นไหมอันนี้คืออย่างนี้เหมือนกับอารมณ์ของคนเราสารพัดดีชั่วชอบไม่ชอบชังสารพัดรวมอยู่ด้วยกันแต่เพราะเอิญว่ามันกระจัดกระจายมันไม่รวมคือถ้าจเป็นจิตจิตไม่รวมจิตไม่เป็นสมาธินั่นคือจิตภูมิสร้างพอมารวมอยู่เช็ดจานในการอา่านเลยมันก็กินได้มันก็บริโภคได้นั่นคือหมอจิตก็เหมือนกัน ในขณะที่การทัศเจตมารวมอารมณ์สิ่งนั้นเป็นอารมณ์อันหนึ่งเรียกว่าเอกาคารมณเป็นอารมณ์ที่เหมาะในการพิจารณาอัดพิจารณาธรรมพิจารณาแล้วมันเป็นอัดเป็นธรรมจริงๆเพราะนั้นเหมือนอาหารที่เรากินเข้าไปกินเข้าไปแล้วมันรู้ว่าแมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆครับกินเข้าไปมันรู้ว่าเอาที่มาที่ไปไปมาแล้วมันจะมีที่อยู่ที่อยู่ให้ตัวเราก่อนหน้านั้นมันอร่อยสัมพของเพอยู่ตัวเรา เขาอยู่ไปไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงเดี๋ยวมันก็จะออกไปแล้วแตนี้เรามาพิจารณาซ้ําอีกที่หนึง่งในขณะเด็เข้าห้องน้ําห้องหน า, าห้องเบาให้พิจารณาด้วยว่าอ๋กอกนะ่อนหน้านั้นแล้วทำไมมันอร่อยพอออกมาทํ า, ท า, า, ามมไญญามเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเป็นการอะไรเรื่องมันท่านได้เรื่องเดียวกันเราก็จะเกิดสติมุสติมาเกิดเราก็ได้ปัญญาเมื่อเป็นอย่างนี้อ๋อเรารู้แล้ว ตอบนี้ไปการกินไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องสําคัญกินอะไรก็ได้ที่มันประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบทั้งห้ามงเป็นอาหารไม่ใช่เป็นของเลิอดของรูปของแพ่นเพราะว่าการกินเคยพูดอยู่เสมอเร า, เรากินกินเพื่อให้มันอยู่คือเรียกว่าชีวิตแต่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินแต่ว่าอยู่เพื่อกินชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับการกินตรงไหนอร่อยสแสวงหาอะไรอร่อยสแสวงหาปรุงแต่งกันก้าไปอันนี้อยู่เพื่อกิน จึงมไม่ใชชีวิตจะถูกต้องนั้นอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันใน ว, วันมันเป็นธรรมะมให้ธรรมะทุกวันถ้าเราคิดกันไงอย่างในทุกวันสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปเขาจะได้บุญด้วยนะไก่ที่มัอยู่บนจานเขาจะได้พลอยได้ละอสมเออเราก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นใช้เป็นเนครื่องหม้เครื่องมือเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาชีวิตเขาจะได้บุญด้วยนะเสร็จแล้วเมื่อออกจากสมาธิเสร็จแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาให้เขาเหล่านั้น คือที่เราแพงทุกวันทุกว่านั้เรียกว่าสเปสตาหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วแผ่ทุกอะมันคําว่าสเพสตา์มันกว้างมันกว้างมากมๆหรือพระจ้าเฉพาะจํากัดก่อนก็ได้เช่นคนนั้นคนนี้คนโน้นไม่ถูกชะตามเลยหรือไม่ถูกจเจริญที่ใสก็เลยแผ่เมตตาเยอะๆแผ่มตตาให้เขาเพื่ออะไรเพื่อใจเราจะได้เบาจะได้ไม่หนัก จะเรียกว่าเป็นคนให้อาภายัยถึงแม้เขาไม่ให้อาภัยไม่เป็นไรให้ตัวเรานะให้เป็นการรู้จักให้อาภายัยอย่างนี้เรียกว่าอาภัยฐานทานคือการให้อาภายัยฝึกอนนี้จิตของเราก็จะเบาไปเรื่อยๆเมื่อจิตมันเบามันก็พุ่งไปข้างหน้าไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงอ่านหลังนั้นแม้มันจะเน่ามันจะเสียมแปรสภาพไปแล้วเราสามารถคิดให้เป็นประโยชน์ได้ปรุงก็เป็นประโยชน์ได้มีท่านผู้รู้ เคยพูดไว้ว่าอุจจระปัสสาวะที่เราหรือคนทั้งหลายมองว่าเป็นของเน่าของเสียสําหรับคนที่มีปัญญาเข้ามองว่าเป็นทองคําเป็นทองคําได้อย่างไรดูจากสีอุจจระหรือเปล่าสีปัสสาวะหรือเปล่าไม่ใช่เลยเขาบอกว่าจนินเหล่านี้ถ้าเอาไปทำเปรี่ยนรูปไปทำอย่างอื่นไปรด ถ, ถักพุทธมรรคสุขวัว มันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินเป็นทองได้อย่างนี้ท่านเรียกว่ามองผู้มีปรรัญญามองกุจจระเป็นทองคำตรงกันข้ามผู้ที่มีปรรัญญามองทองคำหรือใช้ตามคำานะไม่เป็นประโยชน์บางกับเป็นโทษบางครั้งอันตรายถึงชีวิตเราไปขโมยขอ ง, ขอ ง, ขอ ง, ของด้วยสี่สิบบาทแล้วเดินกลางตลาดมันมีคุณไหมมีโทษสถานเดียวนนะ เพรนั้นเราใช้ชีวิตดูดำเวินชีวิตโดยอาศัยสติปัญญาจะแทนทุกอย่างรอบตัวเราในชีวิตปัจจุบันขอประพฤติปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันของเรามองทุกอย่างให้เป็นธรรมะแล้วเราจะเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าถึงค่าเราเป็นคนจดเป็นคนบุรุษเอง ก็ temas, mal, ค<ะ>ือทําคิดดีกับจดดีคิดไม่ดีก็จดไปตามที้ไม่ดีสุดท้ายจิตของเราจะบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้ทั้งหมดมันยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์เลยนะจิตของเราเรียกว่าคอมพิวเตอร์แต่นี้ที่จิตดีเกิดใจเพราะเราบันทึกคอนเดีคิดดีพูดดีทำดีในชีวิตประจำวันมันขี้คอนเทนต์ดีในใจตรงกันข้ามถ้าชีวิตด้วยความรู้สึกนึกคิดคุณแต่จมอยู่กับของไม่ดีกับของเน่าของเสียมากของไม่ดีก็ไปเราเขียนของไม่ดีอย่าลืมก่อนนอน หลังจากไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วอย่ารีบอ่านอ่านบันทึกในชีวิตประจาวันของพวกเราว่าวันนี้ทั้งวันตั้งแต่หกโมงเช้าจนหกโงเย็นเราทางานนะเราได้บันทึกอะไรไว้ให้ไปอ่านย้อนหลังคนอื่นอ่านเราไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นเช่นวันนี้ตายเราทำอะไรไว้ทำดีทำไม่ดีกับใคร ไวา้าจพูดดีพูดไม่ดีไว้กับใครใจคิดดีคิดไม่ดีอะไรเราต้อง น, นั่งที่รู้แล้วตั้งใจตั้งใจใหม่ว่าผู้นี้เมื่อตื่พขึมาจะไม่ให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือมีก็จะให้น้อยให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเออมันไม่ดีนะพยายามพิจะะรารณาพยายามที่จะปล่อยที่จะวาง ทุกเรื่องก็ว่าจะเป็นความคิดกาพูดการกระทําอย่างนี้จะเป็นการบันทึกสิ่งเียสุดท้ายสิ่งที่มันดีดีมันก็จะไม่มีมัจะกลายเป็นบันทึกเฉพาะในสิ่งที่ดีๆคนอื่นเข้ามาอ่านเอาอ่านก็แปว่าเขอบคุปปสบเจอเรามันก็เป็นคนที่น่าดูน่าคิดน่าอ่านน่าศึกษาต้องการข้ามถาเราบันทึกของไม่ดีบันทึกแต่ของเน่าของเสียมากกว่านิสัยใจคอแย่ แล้วใครจะมาอ่านใครจะมาใครจะมาศึกษาไม่มีเลยมีแต่เขาจะทิ้งเขาจะอ่านไม่ยังมีใครอา่านอะไรนั้นสิ่งทั้งหมดนี้เราเป็นคนบันทึกก็แปลวาเราเลือกที่จะบันทึกอะไรก็ได้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้บันทึกแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตประจำวันคือลิขิตเขียนเอาไว้ในจิตเอาไว้ในใจเราก็จะมีเร่ของดีๆในสือเรื่องนี้ก็จะเต็มไปได้วย สาระเนื้อหาที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของอารุชนรุ่นหลังเช่นเช่นรูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายท่านเขียนได้สิ่งดีๆเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามผู้ท่านเหล่านั้นเพราะว่าท่านเป็นนักบันทึกที่ดี ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ดูเป็นเยี่ยงเป็นอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเอาให้ก็ได้ที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบก็เอาเยี่ยมเอาอย่างปฏิบัติตามท่านนั้นเราเป็เชื่อเป็นผู้เจริญรอยตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าเราเจอเรือนรอยตามพรอยู่อรบารของพระองค์แล้วเราก็เชื่อเป็นผู้เดินตามพระุทธองค์เป็นผู้ตามในทางที่ดีเราพันพระธรรมะในภาษานี้ก็ขอฝากพวกเราทั้งหลายเพื่อเป็นคติข้อคิด ย้ำอีกนิดว่าให้เขียนด้วยสิ่งดีๆบันทึกกสิ่งดีทุกวันทุกวันเราก็จะเชื่อเป็นคนดีให้ชีวิตเป็นวันทุกวันทุกวันวันนี้ฝากไว้เพียงตอนนี้